ยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำอย่างตอนนี้อาชีพขับแท็กซี่อย่างผมไ ด, ได้รับผลกระทบอย่างหนักไม่แพ้อาชีพอื่นเดี๋ยวนี้ผู้โดยสารพากันประหยัดทาให้จำเป็นจริงๆก็ไม่ค่อยมีใครขึ้นรถแท็กซี่กันบางวันขับรถเกือบครึ่งวันเพิ่งได้เที่ยวเดียวนี่ผมก็ค้างค่าเช่ารถมา3วันแล้วอาศัยว่าเท่าแก่กับผมเนี่ยคุ้นเคยกันดีเพราะว่าผมขับรถกับเจ้าของรถคันนี้มานานเขาก็เลยอลุ่อล่อวยให้ผมได้ ตั้งแต่ทางด่วนขึ้นราคาผู้โดยสารส่วนมากทำไม่รีบร้อนก็จะไม่ยอมใช้เส้นทางด่วนเพราะว่าหมายถึงการต้องจ่ายเงินเพิ่มที่จริงก็น่าเห็นใจอยู่หรอกผมเองพอการเงินชักฝืดเคืองเข้าคิดจะเลิกขับแท็กซี่ไปหาอะไรอย่างอื่นทำจะกลับไปที่บ้านที่ต่างจังหวัดก็ไม่รู้ว่าจะทำมาหากินอะไรจะไปทำไร่ทำนาก็ไม่มีที่ทางจะไปรับจ้างอะไรในยุคนี้ก็ไม่เห็นช่องทาง คนจนเนี่ยไม่ค่อยมีทางเลือกมากนักเศรษฐกิจอย่างตอนนี้ก็อยู่ให้รอดตัวไปวันๆเท่านั้นผมเริ่มขับแท็กซี่มาตั้งแต่แท็กซี่ในกรุงเทพยังเป็นรถดัตสันบูเบิร์แล้วก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆตอนแรกที่ผมขับรถแท็กซี่ค่าเช่ารถเพียงแค่วันละ50บาทเท่านั้นค่าน้ำมันอย่างมากก็ตกวันละ80ผมจำได้ว่าเงินเหลือพอกินพอใช้อย่างสบายแต่ก็ยังว่าละครับ ตอนนั้นยังไม่มีลูกไม่มีเมียได้เท่าไหร่ก็ใช้หมดเพราะว่าไม่ต้องห่วงใครรถแท็กซี่ที่เช่าเขาขับส่วนมากก็จะมีสองพลัดตอนกลางวันกับตอนกลางคืนพวกผมเนี่ยเรียกกันว่ากะพวกกะกลางวันเขาก็ออกรถ ร, ถราวๆตี5้าแล้วก็ส่งรถกันตอน3หรือ4ี่โมงเย็นส่วนพวกกะกลางคืนก็ออกรถกันตอน4ี่โมงเย็นแล้วก็ไปส่งรถเอาตอนเช้ามืดเมื่อก่อนนี้ผมก็ขับรถกะกลางคืน การขับแท็กซี่กลางคืนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตัวมากขืนไม่ดูตามมาตาเรือรับเอาผู้ร้ายขึ้นรถมีหวังถูกจี้ถูกปล้นเอาได้อย่างง่ายๆบางทีก็ถูกมันทำร้ายร่างกายเอาคุณคงเคยเห็นในหนังสือพิมพ์ข่าวประเภทนี้เกิดขึ้นแทบทุกอาทิตย์เพื่อนผมคนหนึงขับรถแท็กซี่เหมือนกันถูกจี้มันเสียดายของเสียดายเงินก็เลยต่อสู้ขัดขืนไอ้พวกนั้นก็เลยเชือดคอ จนคอขาดแล้วก็ทิ้งศพไว้ข้างถนนแถวทนบุรีปากท่อแต่ว่าตัวของผมเองก็ยังโชคดีที่ไม่เคยโดนจี้ที่จริงก็ไม่ใช่เพราะว่าแคล้วคลาดหรือว่ามีของดีอะไรหรอกนะครับเป็นแต่ว่าผมเนี่ยใช้วิธีสังเกตดูลักษณะของผู้โดยสารก่อนถ้ามากัน 2- อสาคนเราเรียกไปส่งที่เปลี่ยวเปลี่ยวท่าทางไม่ชอบมาพากลเราก็ปฏิเสธไปยิ่งถ้าเป็นทุกวันนี้ด้วยแล้วล่ะก็ยิ่งต้องระวังกันหนักขึ้น คนตกงานตอนนี้ชุมยิ่งกว่ายุงมีอยู่ครั้งหนึ่งมีผู้โดยสารสามคนเรียกให้ผมไปส่งแถวสวนฝั่งทนตอนนั้นราวๆสองท่มกว่าๆผมเห็นว่ายังไม่ดึกมากแล้วก็วันนั้นยังได้เงินไม่เยอะก็เลยตกลงทั้งทางที่ก็นึกสังหรณ์ใจอยู่แล้วคนหนึ่งมันมานั่งข้างหน้าคู่กันกับผมไอ้สองคนหลังท่าทางลุกลิกไม่ค่อยน่าไว้ใจผมเนี่ยผิดสังเกตเพราะว่ามันนั่งกันเงียบกริบตลอดทาง ทั้งๆ ท, ที่มันก็ไม่ได้หลับกันผมแกล้งชวนคุยพวกมันก็อ้อมอ้อมแอมแอมผมนึกในใจว่าวันนี้เห็นทีจะโดนดีแน่พอผ่านบางขุนเทียนผมก็ตัดสินใจเลี้ยวเข้าไปจอดหน้าตู้ยามเปิดประตูรถพวดวิ่งรี่เข้าไปลงแจ้งตำรวจที่ตู้ยามไอ้สามคนนั้นไม่ทันระวังตัวจะเพ่นหนีก็ไม่ทันตำรวจเขาก็เลยขอค้นเจอทั้งมีดเหล็กขูดชับเต็มอัตราก็เลยโดนลากไปนอนในตาราง ผมนึกถึงคราวนั้นเมื่อไหร่ก็ยังเสียวใจอยู่ไม่หายผู้โดยสารบางรายเบี้ยวค่าโดยสารเอาดือด้อผมเนี่ยโดนมาหลายครั้งมีอยู่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงเรียกไปส่งแถวคลองเตยพอถึงที่บอกให้ผมคอยที่ปากซอยเดียวเดียวจะเข้าไปเอาเงินมาจ่ายผมก็คอยอยู่เป็นชั่วโมงก็ไม่เห็นว่าจะมีใครออกมาจะตามเข้าไปในซอยมื ด, มดก็กลัวว่าดีไม่ดีจะเป็นกลลวงไปจี้หรือกลับออกมารถหายเข้าอีกก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ สารพัดแล้วครับปัญหาคนขับรถแท็กซี่ตอนกลางคืนที่ต้องเจอผู้โดยสารบางคนนะเมาแล้วก็ยืนเด้งหน้าเด้งหลังเรียกรถให้ไปส่งบ้านอยู่ไกลเกือบถึงพระประแดงพอขับไปส่งถึงบ้านก็บอกผมว่าไม่มีเงินเอาดือด้อๆอย่างนั้นผมก็ไม่รู้จะทํายังไงเมาจนพูดไม่รู้เรื่องผมกดกลิ่งเรียกคนในบ้านมารับเมียแกโผล่ อ, ออกมาด่าผัวเป็นชุดอย่างกับหมาผมทวงค่าโดยสารเข้าก็กลับถูกด่าเข้าอีกก็เลยต้องรีบเพ่นออกมา กลัวตัวเองเกิดโมโหเข้าบ้างจะยุ่งกันใหญ่อาชีพอย่างผมนี่พบกับคนหลายรูปแบบมีอีกครั้งหนึ่งมีผู้หญิงสาวสวยระดับนางเอกหนังเรียกผมหยุดรถถามว่าจะไปไหนหล่อนก็ตอบว่าไปไหนก็ได้ตามใจเถอะคืนนี้เหงาอยากมีเพื่อนเที่ยวผมบอกว่างั้นก็ต้องรอคันอื่นแล้วครับผมไม่มีเวลาลงอีแบบนี้แล้วก็ร้อยทั้งร้อยเป็นนางนกต่อหลอกให้พาเที่ยวแล้วก็มอมยาสลบทลอดซั เพื่อนๆผมนี่โดนกันหลายคนเรื่องพวกนี้ผมไม่ค่อยกลัวถ้าเราระวังตัวอย่าปล่อยให้ความอยากได้เงินค่าโดยสารมาทำให้ละเลยความปลอดภยัยก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรแต่ว่าเรื่องอื่นนะสิครับที่ทำให้ผมต้องเปลี่ยนมาขับกะกลางวันแล้วก็ไม่คิดจะไปขับรถแท็กซี่กลางคืนอีกเลยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเมื่อหลายปีมาแล้วผมขับรถกลางคืนออกรถตอน4ี่โมงเย็นแล้วก็ขับหาคนโดยสารไปจนบางทีก็ตีสอง พอได้เงินก็กลับมานอนไม่ขับไปจนเช้าเพราะว่าผมทนง่วงไม่ค่อยจะไหวผมมีเจ้าประจำเป็นพวกผู้หญิงที่ทำงานกลางคืนสองสามคนพอบาร์แล้วก็สถานอาบอบนวดเลิกก็ไปคอยรับส่วนตอนหัวข้ามก็ตระเวนไปเรื่อยๆก่อนพอสองทุ่มก็ไปคอยรับผู้โดยสารที่สถานีรถไฟสามเสนขับกลางคืนก็ดีไปอย่างรถราน้อยอากาศเย็นสบายไม่เครียดตำรวจจราจรก็มีน้อยไม่เหมือนตอนกลางวัน ผิดนิดผิดหน่อยก็จะปรับกันท่าเดียวไม่ค่อยเห็นอกเห็นใจคนหาเช้ากินข่าอย่างเราแต่ว่าตำรวจบางคนเขาก็ดีนะครับความผิดบางอย่างที่เราไม่ได้ตั้งใจขอกันดีๆเขาก็ให้คืนที่จะเกิดเรื่องนั้นผมจำได้แม่นว่าวันนั้นดวงไม่ดีออกรถตั้งแต่4ี่โมงเย็นหาคนโดยสารยังไม่ได้เลยสักคนพอทุ่มกว่าๆผมก็เลยหยุดรถกินข้าวเหนียวส้มตาที่ปั๊มน้ามันตรงมหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์ นั่งคุยอยู่กับแม่ค้าจนเกือบสามทุ่มพอออกรถอีกทีก็ได้ผู้โดยสารผู้ชายคนหนึ่งเรียกให้ไปส่งที่รังสิตแถวคลองสองผมก็เห็นว่ามันยังไม่ดึกมากน่าจะปลอดภยัยก็เลยตกลงเรียกไปร5อยห้าิบาทเขาไม่ตอบผมซักคำตอนนั้นยังไม่มีแท็กซี่มิเตอร์นะครับก็ใช้ต่อรองราคากันไปคืนนั้นรถราไม่ค่อยหนาแน่นผมก็ชวนผู้โดยสารคนนั้นคุยแก้เหงากันไป ปรากฏว่าเป็นข้าราชการเกษียณมาเยี่ยมลูกที่หอพักในมหาวิทยาลัยแล้วก็กำลังจะกลับบ้านพอเลยดอนเมืองมาสักพักหนึ่งยางรถผมแบนก็คงโดนตะปูเข้าต้องเสียเวลาเปลี่ยนยางอะไหล่เกือบครึ่งชั่วโมงคุณลุงคนนั้นก็ใจดีไม่บ่นซักคำถ้ารีบก็เรียกคันอื่นต่อไปก็ได้นะครับผมคิดค่าโดยสาร50บาทก็พอผมพูดพร้อมกับขอโทษที่ทาให้คุณลุงคนนั้นเสียเวลา อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่รีบร้อนเปลี่ยนยางให้เสร็จเถอะเพื่อนหนุม่มเดี๋ยวค่อยไปต่อก็ได้ลุงคนนั้นว่าแล้วก็ยังลงจากรถมาช่วยผมถอดยางซะด้วยสิผมก็กลัวมือแกจะเปื้อนห้ามยังไงก็ไม่ฟังน้ำใจดีแท้ๆเปลี่ยนยางรถเสร็จก็ไปกันต่อกว่าจะส่งลุงคนนั้นก็ถึงบ้านเกือบห้าทุ่มตอนนั้นแถวคลองสองยังไม่มีหมู่บ้านจัดสรรมากมายเหมือนเดี๋ยวนี้แยกออกไปจากถนนวิภาวดีเดียวเดียวก็เปรียวน้ากลัว เพราะว่าไฟฟ้าข้างถนนเนี่ยยังมีไม่มากถึงพอมีบ้างก็อยู่ห่างๆกันผมส่งผู้โดยสารคนนั้นเสร็จก็เลี้ยวกลับมาทางเดิมคืนนั้นเป็นคืนเดือนงายเห็นคลองรังสิตอยู่ทางด้านซ้ายของถนนชาวบ้านริมคลองดับไฟนอนกันหมดแล้วเพราะว่าตามบ้านส่วนมากนี่มืดสนิทถนนแทบจะโลง่งนานๆทีจะมีรถสวนวิ่งมาคันหนึ่งผมก็เหยียบสเต็มที่ประตั้งใจว่าจะกลับเข้ากรุงเทพให้ทันเวลาบ่าเลิก จะได้เข้าไปรับขาประจำอีกสักเที่ยวก่อนกลับบ้านไปนอนแต่ว่าขับมาสักพักหนึ่งจนเกือบจะถึงคลองหนึ่งผมเห็นผู้หญิงผมยาวยืนโบกมืออยู่ริมถนนด้านซ้ายท่าทางรีบร้อนผมแตะเบรกซะตัวโก่งเพราะว่ากำลังขับมาด้วยความเร็วก็นึกในใจว่าเขาคงจะมีธุระรีบร้อนถ้าผมไม่หยุดรับอาจจะไม่มีแท็กซี่ผ่านมาอีกเพราะว่าดึกแล้วแล้วก็อยู่นอกเมืองแบบนี้ เห็นแวบๆอยู่เมื่อครู่ว่าผู้หญิงคนนั้นท้องแก่ซะด้วยกว่ารถจะหยุดได้ก็เลยจากที่ที่ผู้หญิงคนนั้นโบกรถราวร้อยเมตรพอรถจอดสนิทผมมองกระจกหลังแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดผมเข้าเกียร์ถอยหลังเตรียมถอยออกไปรับแต่พอมองไปที่หน้าต่างด้านที่นั่งคู่คนขับผมก็ต้องตกใจสะดุ้งสุดตัวผู้หญิงท้องแก่คนนึงยืนอยู่ข้างรถชะโงกหน้าลงมาตรงกระจกหน้าต่างข้างนั้น มันจะเป็นไปได้ยังไงก็ผมขับเลยมาจากจุดที่ผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่เมื่อครู่ตั้งไกลผมยังจำได้จนวันนี้ว่าคนลุกเกลียวไปทั้งตัวแน่ใจแล้วว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่คนใบหน้าที่ชะโงกมาตรงหน้าต่างนั้นข่าวซีดผมยุ่งยุ่งยาวๆระดับไหลมือข้างนึงเกาะกระจกผมก็เลยเปลี่ยนเป็นเกียร์หนึ่งออกรถพรวดหัวใจเต้นแรงราวกับจะออกมานอกตัวร่างที่ยืนเกาะรถนั้นพังะไปข้างหลังอย่างตกใจ เสียงเครื่องยนต์ดังสนัน่นผมรีบเปลี่ยนเป็นเกียร์สองเกียร์สแล้วก็เหยียบคันเร่งจนสุดแล้วก็เข้าเกียร์สี่ในเวลาที่เกือบจะพร้อมกันภาพที่เห็นเมื่อครู่ยังคงติดตากันอยู่แต่ว่าไม่กี่นาทีต่อมาครับผมก็ได้กลิ่นแปลกๆเลือบไปดูกระจกสองข้างหลังคุณพระช่วยตาผมไม่ได้ฝาดครับผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่บนเบาะหลังของรถสายตาจ้องเขม็งมายังผมทางกระจกสองหลังเย็นเยือกไปทั้งตัวด้วยความกลัว ที่สะท้านเข้าไปในหัวใจแวบนั้นนึกถึงพระเครื่องที่อาราธนาคล้องคอภาวนาในใจตามที่พ่อเคยสอนพุทธานุภาเวนะวินาเมนตุขอสิ่งร้ายกาจที่ลูกพบเห็นจงพินาศสิ้นด้วยอนุภาพแห่งพุท ธ, ธคุณกลิ่นเหม็นเน่าอย่างน่าสะอิดสะเอียนนั้นลอยวูบมาประทะจมูกผมได้ยินเสียงหวีดวิวแผ่วเบาไม่กล้า ม, มองดูกระจกหลัง แต่ว่าเซี่ยววินาทีนั้นผมก็หักพวงมะลัยเข้าข้างทางดับเครื่องเปิดประตูพรวดออกจากรถเยิ้งเยิ้งกันนั้นเป็นปั๊มน้ํามันเล็กๆผมวิ่งข้ามถนนไปที่ปั๊มเด็กหนุ่มที่เฝ้ากําลังนั่งหลับอยู่บนเก้าอี้ผมเขย่าตัวเด็กคนนั้นอย่างลืมตัวเด็กคนนั้นเงยหน้าขึ้นอย่างงัวงเงียผมก็เดินไปที่ตู้แช่เครื่องดื่มซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆรู้สึกว่าแข้งขาอ่อนเปลี้ยเลื่อนฝากระจกหยิบเบียร์ขึ้นมาขวดนึง เปิดกับที่เปิดที่ห้อยอยู่ข้างๆตู้นั่นแหละแล้วก็ยกขึ้นดื่มจากขวดควักเงินยื่นให้เด็กคนนั้นเสียงเด็กปั๊มก็ถามผมอย่างงงๆพี่พี่เป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะหน้าตายังกระโดนผีหลอกผมยืนสงบสติอารมณ์กับเบียร์ขวดนั้นจนหมดก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรที่มันดีไปกว่านั้นคืนนั้นผมก็นั่งอยู่ที่ปั๊มน้ามันจนเบียร์หมดไปอีกสองขวดไม่ได้เล่าอะไรให้เด็กคนนั้นฟังจนดึกมาก ผมก็ฟุบหลับอยู่บนเก้าอี้อีกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างๆปล่อยรถให้จอดอยู่ริมถนนแบบนั้นผมจําได้ว่าฝันเห็นผู้หญิงท้องแก่คนนั้นนั่งอยู่บนรถเอื้อมมือมาจับไหล่ผมจะโงกหน้ามาจนเกือบชิดฝันคืนนั้นเป็นฝันที่เหมือนความจริงมือที่จับไหล่ผมนี่เย็นเฉียบกลิ่นเหม็นฉุนกึกผมร้องตะโกนสุดเสียงรู้สึกตัวอีกทีนึงก็สว่างแล้ว เสียงรถประจําทางที่เข้ามาเติมน้ำมันปลุกผมให้ตื่นจากความฝันที่น่ากลัวอย่างร้ายกาจผมเดินไปที่ห้องน้ำอย่างโผเพรลูบหน้าด้วยน้ำเย็นขณะที่เดินกลับมาที่ปัม๊มเด็กคนเมื่อคืนที่กำลังเติมน้ำมันให้รถเมย์ยิ้มให้มองผมด้วยสายตาแปลกกึ่งอยากรู้อยากเห็นข่าเบียร์อีกสองขวดครับพี่อยู่แถวนี้หรือเปล่าวะวันหลังแฟนไม่ให้เข้าบ้านก็มาอีกนะผมไม่ตอบ ฝืนยิ้มให้เด็กคนนั้นพร้อมกับควักเงินในกระเป๋าส่งให้ตบรางวัลไปอีก20บาทหมอนั้นเนี่ยยิ้มอย่างอารมณ์ดีผมเดินข้ามถนนไปที่รถขณะนั้นมีรถราวิ่งกันบ้างแล้วผมค่อยคลายความกลัวแม้ว่าภาพเมื่อคืนยังคงติดตาอยู่เมื่อเข้าไปใกล้รถผมมองไปที่เบาะหลังโล่งใจครับเพราะว่าในขณะนี้มันว่างเปล่าประตูรถด้านคนขับยังเปิดแง้มอยู่ เมื่อคืนเนี้ยผมคงปิดไม่สนิทเพราะว่าความตกใจแล้วก็รีบร้อนผมชะโงกหน้าเข้าไปดูเบาะหลังตัวเย็นว่าบอีกครั้งหนึง่งกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าๆสองสามแผ่นกองอยู่บนเบาะกลิ่นตุตุโชยมากระดาษหนังสือพิมพ์นั่นจะมาอยู่ในรถได้ยังไงผมก็เดาไม่ถูกเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าอุปทานหรือเปล่านะกลิ่นมันเหมือนกลิ่นซากศพ มันก็เลยทำให้ผมนึกถึงกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ชาวบ้านชอบเอามาคลุมศพที่ประสบอุบัติเหตุตามข้างถนนเพื่อกันอุจารก่อนที่พวกปอติ๊กตึงจะมาเก็บศพไปผมเปิดประตูรถด้านหลัง ค, ค, ค่อยๆขีบหนังสือพิมพ์สองสามแผ่นนั้นด้วยปลายนิ้วด้วยความรู้สึกกลัวๆ ก, ว ก, วกึ่งขยะขยงแล้วก็เดินทิ้งไปลงถังขยะทีะ่อยูย่ใกล้ๆเดิน ข, ข, ข้ามถนนกลับไปล้างมือที่ปั๊มเด็กปั๊มคนนั้นมองด้วยความแปลกใจอีก วันนั้นผมเปิดหน้าต่างออกทุกด้านขับรถกลับมาส่งที่อู่กว่าจะถึงก็เกือบสิบโมงเช้าเจ้าของรถกำลังนั่งหน้าตาบอกบุญไม่รับเพราะคนเช่าผลัดกลางวันคอยรับรถตั้งแต่หกโมงเช้านึกว่าลื้อถูกจี้ไปแล้วเท่าแก่บ่นพึมพำแต่ว่าถ้าทางโล่งใจที่ผมกลับมาส่งรถแม้ว่าจะช้าไปหน่อยผมไม่สบายก็เลยหยุดนอนเผลอหลับไปหน่อยขอโทษที่ส่งรถช้าไป เดี๋ยววันนี้ให้กะกลางวันเขาเลยไปถึงดึกเลยก็ได้ผมขอหยุดสักวันหนึ่งก็แล้วกันผมพูดพร้อมกับส่งกุญแจให้เด็กล้างรถประจำอู่ซึ่งก็เป็นธรรมเนียมในการเช่ารถว่าก่อนส่งรถก็ต้องล้างรถให้สะอาดก่อนวันนั้นผมกลับถึงห้องเช่าด้วยความอ่อนเพลียปวดหัวแทบจะระเบิดน่าจะเป็นเพราะริดเบียเมื่อคืนนี้กระมังวันรุ่งขึ้นผมก็บอกเฮียกวงเจ้าของอู่ว่าผมขอเปลี่ยนไปขับกะกลางวัน อธิบายว่าสุขภาพไม่ดีอดนอนไม่ค่อยไหวเฮียกวงแกก็เข้าใจเพราะผมเป็นคนเก่าแก่ของอูนี้ปกติแล้วค่าเช่าผมไม่เคยค้างขับรถมานานไม่เคยมีอุบัติเหตุตามใจลือแต่ต้องเอารถคันอื่นนะเพราะว่าคันนี้เขาขับกลางวันอยู่เฮียกวงหมายถึงคนขับกะกลางวันที่รับรถต่อจากผมผมนึกในใจว่าตรงใจพอดีคันนี้ผมไม่อยากขับอีกแล้วอดนึกถึงเมื่อคืนไม่ได้ ปัจจุบันนี้ผมมาขับรถตอนกลางวันที่เคยบอกไว้แล้วรถคันที่ผมเคยขับคันนั้นก็ยังคงวิ่งอยู่บนถนนจนเดี๋ยวนี้พวกเจ้าของรถแท็กซี่เขาใช้กันจนคุ้มและครับซ่อมกันแล้วซ่อมกันอีกพอเฮียกวงตั้งเป็นบริษัทก็พ่นสีรถทุกคันในอู่สมัยให้เหมือนกันหมดติดมิเตอร์ซะด้วยมีคนบ่นมาเข้าหูผมว่ารถคันนั้นมีอะไรแปลกๆบางทีก็มีคนเห็นผู้หญิงท้องแก่นั่งอยู่บนรถในตอนดึก บางทีก็มีคนโดยสารบน่นว่าได้กลิ่นเหม็นเน่าเหมือนหนูตายอยู่บนรถขอลงกลางทางเฮียกวงก็เลยต้องสั่งให้ล้างขนาดใหญ่ไม่มีใครรู้ความจริงนอกจากผมและผมก็ไม่บอกใครถึงบอกก็คงไม่มีใครเชื่อคุณคุณที่ขึ้นรถแท็กซี่ก็ระวังกันเราเองก็แล้วกันนะครับผมไม่กล้าบอกเลขทะเบียนรถกลัวพวกเดียวกันมาอ่านเจอเดี๋ยวจะมาเล่นงานผมเข้าอ่ะบอกใบให้ก็แล้วกันรถคันนั้น ทะเบียนหมวดสามทหารเลขหน้าสองตัวเหมือนกันขึ้นต้นด้วย4ีสี่ที่หมุนกระจกด้านหลังทางขวาหลุดไปข้อหลังเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนใหม่แล้วหรือยังอาจจะยังนะเพราะเขาคงเห็นว่าไม่จำเป็นรถที่ติดแอร์เนี่ยไม่ค่อยมีใครหมุนกระจกขึ้นลงกันหรอกครับ